พระตถ า, าคตเนี่ยนะเอาพรหมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของพระองค์อะนะพระองค์นี่ครอบงำพรหมแต่ไม่มีพรหมเหล่าใดครอบงำพระพุทธเจ้าได้พระองค์นี่เป็นผู้เห็นถ่องแท้ในระบบของพรหมบางทีพรหมยังเลอะเลือนเลยนะพรหมบางพรหมบางพวกยังหลงลืมเลยเช่นพกาพรหมเป็นต้นยังเลอะเลือนหลงลืมเลยแต่พระองค์ไม่เลอะเลือนไม่หลงลืมไม่อะไรทนะังนั้นมีอํานาจเหนือพรหมโดยประการทั้งปวงว่างั้นจะกล่าวไปยัยถึงสัตว์เหล่าอื่นเล่า แต่ก็ยังว่านะความที่พระองค์ดับขันปรินิพานไปแล้วไม่ค่อยมีใครรู้คุณของพระองค์ก็เลยก็ยังว่าเรียกว่าพุทธศาสนาอันตถาคตก็เนื่องจากไม่มีใครรู้จักคุณของพระพุทธเจ้ามากว่าคนที่มีความดีเนี่ยนะให้หายไปเลยทําไงบอกแกล้งลืมกันก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วสรุปว่าบทว่าตถาคตนี่เ น, นะตถาคโตเนี่ยมีอนุภาพอนุภาพของคําว่าตถาคตยิ่งใหญ่เหมือนอะไรเหมือนอยาถามว่า อนุภาพของพัตนาคตเนี่ยคืออะไรก็คือความงดงามแห่งเทศนาและกองแห่งบุญถ้าไม่มีพัตนาคตเทศนาเหล่านี้จะมีไหมคําสอนในพระพุทธศาสนาจะมีไหมดังนั้นความคําวัตถาคตเนี่ยผลผ ล, ผลิตของคําวัตถาคตก็คือความงดงามแห่งพระธรรมเทศนาทั้งหลายและกองแห่งบุญทั้งหลายเพราะมีพัตนาคตขึ้นมาในโลกเนี่ยบุญมีเท่าไหรอ่อันนัมีผู้ทําบุญเท่าไหร่เนี่ยนะ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 ม ว, ว่าสร้างขึ้นด้วยมือของพระองค์เองแล้วก็บอกกล่าวให้ผู้อื่นเจริญตามเนี่ยนะท่านพุทธานุภาพนั้นยิ่งใหญ่สร้างธรรมานุภาพขึ้นสร้างสังขานุภาพขึ้นเนี่ยนะท่านอันเนี้ยอนุภาพของพระองค์เนี่ยจึงครอบงำลัทธิมิจฉาทิฏฐิสารพัดลัดทธิได้หมดเลยแล้วก็ครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยนะท่า น, นอนุภาพคือความงดงามแห่งเทศนาและกองบุญเหล่านี้ไม่วิปริต ไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิปลาสคลาดเคลื่อนเขียนขึ้นมาหลอกอนะั้นมาโตกันขึ้นฝันเอาไม่ใช่เพราะว่าพระองค์มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปแล้วครอบงาโลกได้ทั้งหมดคุณธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในพระองค์เนี่ยนะมีอยู่ในพระองค์พระองน่าจะอยู่จนถึงปัจจุบันนะบอกว่าก็ไม่มีใครมีบุญพอที่จะได้รับการสงเคราะห์จากพระองค์โดยตรงก็เลย เราพูทแต่เจ้าตถาคตเนี่ยนะตถาคตโตเสด็จไปดีแล้วนะสุกโตไปดีแล้วเนี่ยนะไม่ต้องไปอะไรหรอกมาโทษเราบุญน้อยแค่นั้นแหละสรุปคำว่าตถาคตนิดหนึ่งว่าตะโทอวิปรีโตจะอคะโธยสะสสตทุโนวสะสาวะตีติโสเตนะโหติสัตธาตถาคตพระศาสดาพระองค์ใด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 อ, น, น, อนุภาพของพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมีบุญขนาดว่าไม่ต้องใช้ปานาติบาตเข้าไปครอบงำสรรพสัตว์ด้วยปานาติบาตไม่ต้องครอบงำสรรพสัตว์ด้วยอธินาทานไม่ต้องครอบงำสรรพสัตว์ด้วยกาเม่ด้วยมูสาด้วยพฤทวาจาพิสุนาวาจาด้วยอภิชาพยาบาดมิชชาทิฐิเหล่าใดไม่เหมือนอํานาจของชาวโลกทั้งหลายผู้มีอํานาจทางชาวโลกคืออะไรฆ่าคนที่ตัวเองคิดว่าสมควรตายเรียกว่าอำนาจในโลกเรียกว่า ริบเอาทรัพย์คนอื่นที่คิดว่าตัวเองสมควรริบเขามาหรือว่าถ้าเป็นอนุภาพโบราณด้วยแล้วก็แบบว่าฉุดบุตรภริยาของผู้อื่นตามที่ตัวเองต้องการนะนะมูสาใครก็ได้หลอกใครก็ได้ด่าใครก็ได้เป็นตน้นอันนั้นคืออํานาจแบบทั่วไปในทางโลกแต่พระองค์ไม่ใช่อํานาจแบบนั้นอันะอนุภาพของพระองค์อํานาจของพระองค์ก็คืออํานาจที่เรียกว่าคนฆ่าอยู่พระองค์ทําให้ไม่ฆ่าไดา้คนลักคนขโมยคนปล้นคนโกงมาฟังทำแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยเนี่ยนะ เลิกเลยก็มีอำนาจของพระองค์ทําให้ผู้ที่ผิดกามเมมากอย่างเช่นนายกาละหลานอนาถเ น, นี่ยนะผิดกามเมมากพระองค์แสดงธรรมลูกเป็นพระโสราวันไปเลยนนคนที่เรียกว่าเลวไหลปลิ้นปล้อนเป็นต้นพระองค์สอนให้ตรัสรู้มานักต่อนักแล้วว่างั้นน่ยเพราะพระองค์เป็นผู้มีอํานาจแก้คนเลวให้เป็นคนดีแก้ปุตุชนให้เป็นพระอาริยะเนี่ยนะแก้ปุตชชนให้เป็นพระโสดาบันพระสกาทาคามีพระอนาคามีและ พาหาันแก้คนที่มีทุกข์ให้พ้นทุกข์เนี่ยนะแก้ผู้ที่ไหลไปตามวัตตะให้พ้นจากวัตตะเนี่ยนะา น, นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สูงสุดบริบูรณ์ครบถ้วนเนี่ยนะแต่ว่าตอนนี้ล่ะอำนาจของพระองค์แผลเข้าไม่ค่อยคอยถึงใจแล้วใช่ไหทำไมน้อเนี่ยนะเพราะปิดใจรับอำนาจพุทธะบอกว่าโลกนี้ทำอะไรก็นไ้บ้าปิดตาปิดหูซะก็หมดเลยเนี่ยนะ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 คำสอนถ้าปิดตาไม่เห็นไม่ไม่ได้เห็นพระรัตน์ตรายปิดหูที่ไม่ฟังคําสอนปิดใจที่ไม่สนใจคําสอนเนี่ยนะถ้าทําเช่นนั้นก็คือบอดสนิทในอริยวินัยนี้เนี่ยนะท่านก็เปิดตาให้เห็นพระพุทธรัตนะเปิดหูให้ฟังธรรมรัตน์เปิดใจให้ปฏิบัติตามพระสังฆรัตนะทั้งหลายก็จะทําที่สุดแห่งทุกได้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือพระตถาคตพระองค์นั้นเนี่ยนะ มีการุณาได้เกิดขึ้น อ, อุบัติอุบัติอุบัติก็คือเกิดอะไรอุบัติขึ้นก็คือความความที่พระองค์มีการุณานั่นแหละเกิดขึ้นสัพพสัตเตครอบคลุมไปสัตว์ไม่มีเหลือหมู่สัตว์ทั้งสิ้นซึ่งคาถาที่ที่กล่าวไปแล้วทวนอีกนิดเนี่ยว่าความมีการุณาในสัพพสัตว์เกิดขึ้นแด่พระตถาคตคือพระตถาคตผู้อะระดในใช่ไหม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 พอพรหมอาราธนาจกพระองค์ยังกรุณาให้เกิดขึ้นในสัพพะสัตว์ทั้งหลายพิจารณาเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงว่าคือพอฟังคําของพรหมจบพระองค์ก็ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายในยสัตว์ทั้งหลายแบ่งเป็นสองกลุ่มพวกพภะกะับอาพภะเนี่ยนะพภะแปล ว, ว่าพวกควรบรรลุได้กับผู้ที่บรรลุไม่ได้แบ่งเป็นสองพวกพวกที่บรรลุได้เนี่ยก็แบ่งเป็น อุคติตัญยูวิปัญจิตันยูและนัยยะบุคคลอุคติตันยูก็แบ่งตามจริตวิปัญจิตันยูก็แบ่งตามจริตอนนนัยยะบุคคลก็แบ่งตามจริตอุคติตันยูเนี่ยนะแต่ละจริตเหล่านั้นเนี่ยจะต้องใช้พระธรรมเทศนาหมวดได้มีกี่กลุ่มเป็นต้นใครควรพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าดูก่อนพรมประตูคืออริยมรรคแห่งอมะตนะนครคือพระนิพานเราเปิดสําหรับท่านแล้วละ่ะ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 พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับครูสอนใช่ไหมครูทําท่าจะเหนื่อยนายอ้าพ่อเนี่ยก็มาขอร้องเออเด็กๆพวกนี้มันก็อย่างนี้เลยเห็นใจก็หน่อยเธออะไรเงี้ยนะค่ายๆแบบนั้นอ้าครูก็มีเรี่ยวมีแรงทีหนึ่งคล้ายๆแบบนี้นะแต่ครูคือพระพุทธเจ้าบางทีนั้นจะต้องอ่าเรียกว่าต้องอาศัยอํานาจของพรหมเนี่ยมาช่วยในบางกรณีเนี่ยนะแต่หลายๆอย่างก็เป็นพุทธวิสัยเป็นบุญที่พระ อ, องค์ทรง ส, งสั่งสมมาพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ใช้คนเป็นที่สุดเนี่ยนะใช้คน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 พระองค์ก็แสดงอริยสัจเข้าก็บรุหาประมาณไม่ได้ส่วนลิชชวีบุตรก็ไปตามทางใครก็ทางใครเนี่ยนะกรร ม, มสโกโมหิอยู่แล้วละ่ะนะสุดแท้แต่กรรมแต่ว่าพระองค์ก็ถือว่าใช้งานเขาได้แต่ถามว่าใช้เปล่าใช่ไหมบอกไม่เพราะว่าพระองค์เนี่ยได้สร้างอุปนิสัยให้สุนัขขตะลิชวีบุตรเรียบร้อยแล้วอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรุญเนี่ยนะแต่เฉพาะชาตินี้เขาเป็นอภพเป็นพวกอภพเพ่อหลายพร่ออดีตนี่สั่งสมมิชชลทิฏฐิมาม า, มาก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 ครั้งนั้นเลยท้าวสามบดีพรมเนี่ยนะหลังจากที่รู้ว่าพระองค์เนี่ยนะพระองค์คือพระพุทธเจ้าเรีเราอาราธนาพระองค์พระองค์ก็รับที่จะเปิดโอกาสเพื่อการแสดงธรรมเลพรมก็รู้แล้วนะว่าที่มาอาราธนานั้นไม่ไร้ผลเนี่ยนะพรมมาจโลกาติปติสามปฏิเนี่ยนะคอาราธนาของพรมเหล่านี้ไม่ไร้ผลซึ่งพระองค์ก็รับปากว่าจะแสดงธรรม คักที่รับปากว่าแสดงธรรมก็คือว่าดูก่อนพรม้มประตูประตูคืออริยมรรคแห่งอมตานครคือพระนิพพานเราเปิดสําหรับท่านแล้วละขอเหล่าสัตว์ที่มีโซตาประสาทมีหูกับปล่อยศรัทธาออกมาเถิดแต่ก่อนเราสําคัญว่าจะลําบากเปล่าจึงไม่กล่าวทำอันประนีที่ชํานาญในหมู่มนุษย์พอรู้ว่าพราะองค์รับอาราธนาอย่างนี้ก็ประคองอันเฉลีอันรุ่งเรืองด้วย10นิ้วประชุมกันเรียกว่า ทาสะนขะสมุทานกระวัตสินิ้วอันรุ่งเรืองประชุมกันเนื้อเสียงกล้าวถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณเดินเวียนขวาอันพรหมทั้งหลายแวดล้อมก็เสด็จกลับไปเนี่ยนะกระวัตจริงๆอมาหนังหมื่นโลกธาตุนะมาราธนาเนี่ยมาเยอะมากเลยครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ครั้นปฏิญญาแก่พรหมนั้นแล้วก็ดำเนินว่าเราควรจะแสดงธรรมะแก่ใครก่อนหนอ ใครเ น, นี่ยนะพอที่จะได้บรรลุอริ ย, ยสัจแสดงธรรมก็คือสแสดงอริยสัจเนี่ยควรจะประกาศอริยสัจให้ใครฟังก่อนเนาะก็เกิดความคิดขึ้นว่าอาราลดาบทเป็นบัณฑิตจักรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันถามว่าทำไมจึงตาลบอาราลาดาบทก็เพราะว่าท่านเหล่านี้ได้สมาบัตมานานมากอากุศลแทบไม่กลุ่มรุมเลยแทบจะแทบเรียกว่าแทบจะใจไม่เศร้ามองเลยอะ่ะมันท่าพวกนี้สมควรจะฟังอริยสัจและบรรลุเร็ว แต่ก็ทราบว่าตายได้7วันพอดีถ้า ต, ตอนนี้ก็อาจจะทําบุญ7วันพอดีเลยใช่ไหมอันนี้ก็เลยกลายเป็นตายไป7วันแล้วก็คิดถึงอุทกาดาบทก็บอกเพิ่งตายไปครบคำ่ำหนึ่งตายเมื่อคืนนี่เองที่จริงที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเหล่านี้ไม่ใช่พุทธเวไนยเนี่ยนะไม่ได้สั่งสมบุญมาเพื่อพอจะตรัสรู้เพราะว่าผู้ที่ตรัสรู้ครั้งแรกจะต้องเป็นพระอัญญาโกนัญญะเท่านั้นเพราะได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้ว องก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์เราว่าพวก5้านี้อยู่ที่ไหนเนาะก็ทราบว่าอยู่ที่ป่าอิศิปตนะมรุกขายวันแขวงกรุงพารณสีพอราตรีสว่างวันเพนอาสาลหะแต่เช้าตรู่เลยนะก็คือวันเราว่าก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันนะเข้าพรรษานี่จะต้องเป็นวันแรมหนึ่งค่ำอาสาลหะนี่เป็นวันวันขึ้น15คห้าเนี่ยนะขึ้น15คห้าวันเพนเดือนเดือน8เนี่ยนะวันเพนเดือน8ดเนี่ย พอสว่างพระ อ, องค์ก็ถือบาจีวรเดินทางประมาณ18บแปดโยศจากไหนจากจากนั่นแหะบริเวณที่ตรัสรู้นะจากบริเวณไม่ไกลาจากแถวพุทธคยาเท่าไหร่ไปกรุงพาราสีระยะทางประมาณ18บแปดโยศก็200กว่ากิโลนะนี้ก็200กว่ากิโลนะนั่งรถตุเรงตุเรงตุเรงไปก็สองร้อกว่ากิโลแขกนี่เอาเรื่องถ้ากิโลไทยก็ไม่เท่าไหร่นะถ้ากิโลแขกเนี่ยหนักใจเหมือนกัน หลายคนบอกโอ้ยปฏิเสธแล้วรถไฟดีกว่าเขาังี้ยหลายคนบอกโอ้ยไม่เอาหรอกรถทัวร์รถยนเนี่ยเขาจะไปรถไฟอย่างเดียวเขางี้ยกลัวถนนยิ่งหน้านี้ปีนี้รู้เป็นยังไงมาดูฝนดีขนาดนี้เนี่ยนะถนนเละเลยนะเดี๋ยวจะไปลองดูก่อนเดี๋ยวไปสำรวจทางให้ระหว่างทางเนี่ยนะระหว่างทางก็พระองค์ก็ไปพบอุปการชีวกนักบวชอาชีวกอัะนะ น, น, นักบวชนุ่งลมหอมอากาศชื่อว่าอุปกะ